3. วิกาละคามะปะเวสนะสิกขาบท138ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับพักคีไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลในวิกาลขามาปะปเวส s a สิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกถิทนะสมุดฐาน